บทภาชณีติกะปาจิตตีหนึร้อยเชักชวนกันแล้วภิกษุสําคัญว่าชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลําเดียวกันไปทวนน้ําก็ตามไปตามน้ําก็ตามต้องอบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟากชักชวนกันแล้วภิกษุไม่แ น, น่ใจโดยสารเรือลําเดียวกันไปทวนน้ําก็ตามไปตามน้ําก็ตามต้องอบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก ชักชวนกันแล้วภิกษสุสําคัญว่าไม่ได้ชักชวนโดยสารเรือลําเดียวกันไปทวนน้าก็ตามไปตามน้ําก็ตามต้องอบัตไปจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟากติกะทุกกฎภิกษุชักชวนภิกษุณีไม่ได้ชักชวนต้องอบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนภิกษุสําคัญว่าชักชวนกันแล้วต้องอบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนภิกษุสําคัญว่าไม่ได้ชักชวนไม่ต้องอบัต